แต่สัพพัญญุตญาณนี่ก็เรื่องอยาวมากจะขึ้นทเวทาวิตต ก, กสูตรทาไมเวลามันจะหมดแล้วเดี๋ยวมาดูในทเวทาวิตต ก, กสูตรเนี่ยนะจะได้เห็นถึงว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยนะสิ่งที่จะต้องแยกเป็นเบื้องแรกคือแยกกุศลวิตตกกับอกุศลวิตตกแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ต้องเข้าใจอริยสัจก่อนอยู่แล้วเนะ ไม่ใช่อริยสัจก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยแล้วมาแยกวิตกแยกไปก็ไม่มีประโยชน์สักเท่าไหร่แต่ต้องมีความเข้าใจเรื่องกรรมสักตามาเป็นอย่างดีเข้าใจเรื่องวิปัสนาเข้าใจเรื่องอริยสัจมาเป็นอย่างดีแล้วเนนะเธอถ้าไม่เข้าใจเบื้องล่างพวกสมถาวิปัสนาไม่เข้าใจอริยสัจแล้วเนี่ยถามว่าแล้วมากุศลวิตกอะไรก็ระดับศีลระดับ คือกุศลวิตกในที่นี้เนี่ยเป็นกุศลวิประเภทวิวัตต์อย่างเดียวสัมมาสังกปะตรงนี้มุ่มงกุศลสังกปะประเภทวิวัตะถึงมาคิดให้เป็นกุศลก็ไม่เรียกสัมมาสังกปะแบบในศาสนาที่เรากําลังพูดถึงเพราะสัมมาสังกปะที่ที่ที่เจริญให้มากแล้วทําให้มากแล้วเนี่ยนะก็ย่อ ม, มเป็นไปเพื่อบรรลุมรคผลนิพพานนะเป็นเป็นกลุ่มอธิปัญญาเนี่ยนะซึ่งจะต่างจากสังกปะในกลุ่มอื่น สังกัปปะในกลุ่มทั่วๆไปของนอกศาสนาก็เป็นไปเพื่อวัตตะแต่นี้เป็นกุศลสังกัปปะที่เป็นไปเพื่อวิวัตตะข้อความในทเวทาวิตักสูตรข้อ252สุตตันตปิฎกมัชฌิมณิกายมูลปัญ น, นาสนะกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระพุทธพจนี้ว่าดูความพิสูจน์ทั้งหลาย เมื่อเรายังเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ก่อนแต่ตรัสรู้ทีเดียวได้คิดอย่างนี้ว่าถ้าอะไราเราพึงแยกวิตกออกเป็นสองส่วนดังนี้เนี่ยดูความพิสูจนทั้งหลายเรานั้นจึงแยกกามวิตกพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตกนี้ออกเป็นส่วนหนึ่งและก็แยกเนคขมาวิตกอัพยาบาทวิต ก, แ ล, ต ก, าาตกและอวิหิงสาวิตกนี้ออกเป็นส่วนที่สองดูความพิสูจนทั้งหลาย เรานั้นไม่ประมาทมีความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสส่งตนไปอยู่อย่างนี้นะหมายถาว่าบําเพ็ญเพียรไม่อะไรในร่างกายและชีวิตเนี่ยนะดำเนินจิตให้เป็นไปกับกุศลสมถาวิปัสนาอยู่อย่างนี้เนี่ยนะกามวิตกย่อมบังเกิดขึ้นเรานั้นย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่ากามวิตกนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่านะท่านพออกุศลวิตกขึ้นปุ๊บหนึ่งนั้นรู้เลยไอตัวนี้เนี่ย มันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นทั้งสองบ้างทำตัญญาให้ดับก่อให้เกิดความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานดูกวามพ่สูจนทั้งหลายเมื่อเราพิจารณาเห็นว่ามันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างมันก็ถึงความดับศูนย์คือเห็นโทษเลยนะว่าเออมันเดือดร้อนมันเบียดเบียนตัวเองแค่ไหนเนี่ยนะ เมื่อเราพิจารณาเห็นว่ามันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างมันก็ถึงความดับศูย์เมื่อพิจารณาเห็นว่ามันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่นทั้งสองบ้างมันก็ถึงความดับศูญไปเมื่อพิจารณาเห็นว่ามันทําปัญญาให้ดับทําให้เกิดความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานบ้างดังนี้มันก็ถึงความดับศูนย์ ด, ด, นนดูกรพิสูจน์ทั้งหลายเรานั่นแหลละเสียแล้วบรรเทาแล้วซึ่งการมัวิตกที่เกิดขึ้นแล้วที่เกิดขึ้นแล้ว ทำให้มันหมดสิ้นไปก็แสดงว่าถือเอากามวิตตกนี่เป็นศัตรูเนี่ยนะใครเคยมีความรู้สึกว่ากามวิตกนี่มันคือศัตรูชัดๆเลยนะก็ถ้าใครเห็นโทษนี่ก็ขออนุโมทนาด้วยนะก็ ปัญหาสําคัญไม่รู้ว่ากามวิตกะด้วยสินี่ตรงนี้มันยากมากไม่รู้ว่าตัวเองนั่งนิกลามวิตกทั้งนั้นเลยเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นกลางมวิตกตรงนี้สิมันยากนะเพราะว่าเนี้ยว่ามากวะฮะแตอาจารย์ครับทิงงนะะคิดว่าเพื่อมกามะวิตกเกิดขึ้นเรารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวนะคะอืเก็เบนเี่ยงไปทางุอย่างนี้อืมเบนไปยังไงไหนคะหมุนคลื่นนีเลย คิดว่าไงคิดว่าไงอ๋อพุทโธพุทโธพุทโธไปอ๋อใช่ใช่ก็ก็ลองคิดดูนะว่าคุณคิดถึงไอ้สุดหล่อนี่คุณมีความรู้สึกว่ามันนี่กามวิตกชัดๆเลยอย่างนี้ไหมนานเลยนะพอแล้วเรื่องมันยาวแล้วพอแล้วเนี่ยเนไม่ได้คิดเลยว่ามันเป็นกามวิตกดูสิเนี่ย เรื่องมันยาวเลยกันนี้ชํานาญมากเลยครัที่ดูที่บอกว่ากามวิตกเนี่ยนะเกิดขึ้นแก่พระโพธิสัตว์โดยประการใดพรองก็ข่มวิตกเหล่านั้นโดยประการใดเป็นต้นอธิบายว่าอุปัชติกามวิตกโก ความว่าเมื่อพระโพธิสัตว์ทรงเริ่มตั้งความเพียรตลอดหกปีชื่อว่าการมวิตกซึ่งปรารบความสุขในการครองราชสมบัติปราสาสนางฟ้อนรำนางตําหนักนางสนมนางกํานันหรือปราลบสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว น, นะฉบับพม่ามีหน้าอักษรแปลว่าไม่เคยเกิดเลยเนีนะแต่ภาษาไทยฉบับไทยเนี่ยไม่ตกคําว่าไม่คําว่าไม่าไมหายไป อ่าเป็นไม่เคยเกิดขึ้นเลยหมายความว่าหวนคิดถึงราชสมบัติไม่มีเลยถ้าพูดแบบภาษาทั่วไปนะคนธรรมดาคงทำใจไม่ได้เราบอกท่านไม่เคยคิดถึงพระราหุนเลยอ่นนะท่านคิดเรื่องพระราหุนวันที่แค่วันที่บอกว่าเราเป็นพระพุทธเจ้าแล้วจะมาดูหน้าลูกใหม่คิดอยู่แค่นะี้หลังจากนั้นไม่เคยคิดถึงอีกเลยอ่นนะพระราหุล น, นะทั้งที่ว่าท่านเห็นปั๊บเนี่ยความรักจดเยื่อในกระดูกเลยนะ ท่านก็รู้ว่าออรักลูกนี่มันขนาดนี้นี่ลูกคนเดียวนะเรายังรักขนาดนี้ถ้ามีตั้งพันไม่แตกตายก่อนเนะหัวใจเราเนี่ยท่านก็เลยโอ้ไม่ไหวแล้วแต่ก็บวช ด, ดีกว่าแล้วบอกว่าเลยว่าบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วจะมาดูหน้าลูกใหม่คิดดูว่าหลังจากนั้นไม่เคยคิดถึงเลยเนี่ยนะอันคนที่ได้ลูกใหม่วันแรกนี่ไม่รู้คิดถึงกี่ครั้งไม่ทราบนะหลังจากนั้นก็คิดไปเรื่อยไปเรื่อยไเรื่อยนะพอมันโตขึ้นก็คิดใหม่โทสะตลอด กนะมันสร้างปัญหาให้ตลอดเลยนึกด้วยโทสะตลอดเลยกันนี่นอนไม่ค่อยหลับแล้วกันนะตอนแรกก็คิดแบบนอนไม่ค่อยหลับเหมือนกันแต่ด้วยฉันทะตอนหลังนึกด้วยโทสะแทนมียอมคนหนึ่งลูกก็ติดยาบ้าแล้วมันก็ถูกจับประจํามันนะอุ้ยพ่อแม่นี่นอนไม่หลับเลยอะ่ะเครียดเนี่ยนะศึกษาธรรมะกาหายใจดักเมือกใหญ่ใหญ่หญบ่อยมากนะลูกลูกเขาก็องานการก็ไม่ค่อยทํา ถูกจับเพราะยาบ้าเองนะเที่ยวประกันว่างๆมันก็ไปเที่ยวตีหัวคนบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเดือดร้อนตลอดยพ่อแม่ก็เดือดร้อนตลอดนะแต่ตอนตอนแรกๆ ก, ก็ดีใจมากเลยนะได้ลูกชายคนนั้นมาตอนหลังก็เสียใจมากเลยนะแ ต, แต่นี่พูดถึงพระโพธิสัตว์ไม่เคยคิดถึงเลยแม้กระทั่งพระนางพิมพาอะไรไม่คิดถึงสอย่าง ประสาราชสมบัติพ่อแม่พี่น้องไม่มีคิดถึงเลยด้วยอำนาจการมวิตกอกุศลวิตกไม่มีแม้แต่นี้เดียวก็พระโพธิสัตว์นั้นถึงการสมาทานอันยิ่งยวดด้วยทรงอดพระกยาหารในการบำเพ็ญทุกระกิริยาทรงมีพระดำริว่าบุคคลอดอาหารไม่อาจเพื่อจะยังคุณวิเศษให้เกิดขึ้นได้อย่าเลยเราเพิ่งอาหารหยาบเอาอาหารหยาบมาเสเวย พระโพธิสัตว์นั้นเสด็จขึ้นสู่อุรุเวลาเพื่อก้อนเข้ามนุษย์ทั้งหลายคิดว่าในการก่อนมหาบุรุษไม่ทรงรับอาหารแม้นำมาถวายบัตดนี้เฉลยมโนรถของพระองค์ถึงที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นจึงเสด็จมาเองก็เลยพากันนำอาหารประณีดประณีดไปถวายเนี่ยนะไปถวายพระโพธิสัตว์นะนะอัตภาพของพระโพธิสัตว์ก็กลับเป็นปกติไม่นานนักนะที่พร่องเนี่ยนะเรียกว่ารูปท้องถึงหลังรูปหลังถึงท้องรูปตัวขนหลุดเนี่ยนะดวงตาเนี่ยลึกเข้าไปในเบ้าหมดเลยนะีย อันนี้ก็ไม่นานนะักก็เป็นปกติจริงอยู่อัตภาพที่คร่าคร่าเพราะชราแม้ได้โภชนะเป็นที่สบายก็กลับเป็นปกติไม่ได้นะถ้าถ้าพร้อมด้วยแก่ด้วยเนี่ยนะจะกินยังไงมันก็ไม่หล่อเหมือนเดิมหรอกอนะแต่นี้หมายถึงพระโพธิสัตว์ที่ยังหนุ่มยังแน่นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเมื่อพระโพธิสัตว์นั้นเสวยพระกยาหารที่สบายอัตภาพจึงเป็นปกติได้ไม่นานนักอินทรีย์ทั้งหลายก็ผ่องใสชวีวันก็บริสุทธิ์ พระสรีระก็ประดับประดาด้วยมหาปริศลักษณะส2สบสองก็บริบูรณ์ดุจหมู่ดาวขึ้นสู่ท้องฟ้าฉะนั้นพระโพธิสัตว์นั้นทรงแลดูอัตภาพนั้นแล้วทรงคิดว่าอัตภาพเชื่อว่าลำบากเพียงนั้นกลับเป็นปกติอย่างนี้ทรงถือเอากามวิตกแม้นิดหน่อยเพราะความที่พระองค์ทรงมีปัญญามากทรงดาริด้วยความดาริว่านี่คือกามวิตกโอ้นี่ร่างกายของเรานะ ป, กปกตินะปั๊แค่นั้นน่ะนะนิดแค่นั้นน่ะนะ เราสองกระจกอยู่ครึ่งวันยังไม่ทันไม่ค่อยรู้เลยอย่างเงี้มันต่างกันมากๆเลยนะดูเลือกเสื้อนะดูแล้วพลิกแล้วพลิกอีกพลิกแล้วนี่อีกใสจนเสร็จจนซักเนี่ยนึกก็ไม่ค่อยออกเลยว่าเออมันกาลมาวิตกเนี่ยนะเออนี่ห่างกันมากมากเลยนะเทียบกันไม่ติดอยู่แล้วพันเกี่ยวกับเรื่องอากุศลวิตตกเนี่ยพระโพธิสัตว์ท่านเป็นผู้มีปัญญามากอนะแม้กระทั่งเหตุการณ์เกิดนิดเดียวเนี่มันเรื่องใหญ่โตมากเลยสําหรับท่านถ้าจะเป็นสายบาปสายอกุศลเนี่ยนะ ที่บอกว่าอย่างในหน้าสองยบสีที่กล่าวว่าคือท่านแยกกุศลวิตกออกเป็นสองส่วนคือฝ่ายหนึ่งเป็นกุศลฝ่ายหนึ่งเป็นอกุศลเนี่ยนะลำดับนั้นเราจะข่มวิตกที่มาจากฝ่ายอกุศลด้วยความรู้ไ อ, ไ อ, ไอการที่จะขม่มอกุศลวิตกมันต้องข่มด้วยปัญญาเนี่ยนะเหมือนบีบหัวงูเห่าจะแล้วจับบีบหัวงูเห่าเขาทำยังไงเขาต้องมีไม้กีบแพะเนี่ยนะบีบลงไปก่อนเนี่ยนะกดลงแล้วก็ค่อยเอามือไปจับ แต่เมืไปจับที่หางนะเสร็จเลยหรือเรียกว่าบีบอกุศลวิตกเหมือนเหยียบคอศัตรูฉะนั้นเราจักไม่ให้อกุศลวิตกนั้นเจริญจักอย่างวิตกที่มาจากฝ่ายกุศลให้เจริญรวดเร็วเหมือนเมฆในในสมัยเมฆและเหมือนนาดีมีพืชงอกงามฉะนั้นเถ้อยงกุศลกุศลวิตตกท่านไม่เคยกลัวเลยเนี่ยนะท่านเจริญเหมือนอะไรเหมือนเมฆฝนอะ่ะมันมากขนาดนั้นอะ่ะมันท่วมทับ สมมตานะคุศนวิตกเท่ากับฝนหนึ่งเม็ดเนี่ยนะไอเมฆแบบพายุพายใุใหญ่เลยนะคุศลวิตกท่านรุนแรงขนาดนั้นมากขนาดนั้นเหมือนเหมือนพืชที่มีนาดีนะพืชในนาดีเนี่ยเจริญเอาเจริญเอาเจริญเอ า, เอาฉันใดกุศ ล, ลวิตกของพระองค์ก็ฉันนั้นเพราะฉะนั้นพระองค์ขม่มอากุศลวิตกทั้งหลายแล้วก็ยังกุศลวิตกให้เจริญเวลาในการขม่มวิตกของพระโพธิสัตว์พึงแสดงแล้วด้วยบทนี้นั้นท่านก็เป็นผู้ที่เยก ทั้งกุศลวิตกและอกุศลวิตกทีนี้ไอเฉพาะกามวิตกของท่านคืออะไรคืออย่างว่าโอ้ร่างกายของท่านเนี่ยโอ้นี้มันมันเด็กมันดีขึ้นนะอะไรเงี้ยแค่นี้ก็รู้แล้วอกุศลมันกลุ่มรุมแล้วเนี่ยนะพระองค์นี้ประทับนั่งข้างหน้าพระบรณะารณาศาลาคือบรณารณาศาลาก็กระท่อมใ ไ, ไม้นะ เห็นหมูเนื้อมีเนื้อสายกวางเนื้อฝานโคละมั่งเป็นต้นหมูนกมีนกยุงไก่ป่าเป็นต้นร้องเสียงไพเราะจับใจบึงทั้งหลายก็ดารดาดเนี่ยนะด้วยบัวเขียวอุบลเขียวเนี่ยโกมุดเล็กะมอลเป็นอาทิราวป่านิ่งเงียบสงัดดารดาษไปด้วยดอกไม้นานาชนิดและแม่น้นํานรัญชาซึ่งไหลพัดขุนเอ่อพัดน้ำขุนเหลือแต่น้าใสดุดก้อนแก้วมณี พระโพธิสัตว์ทรงมีพระดําริว่าฝูงเนื้อฝูงนกบึงราวป่าแม่นะน้ําเนรัญชราเหล่านี้สวยงามเนาะอันนี้เขาเรียกว่าดูวิวแล้วนึกสวยนะอวิวสวยพระองค์ก็ถือเอาวิตกนิดหน่อยอย่างนี้แม้นั้นแล้วทรงทําให้เป็นเนี่ยการมวิตกอันนี้อันนี้กามวิตกก็แบ่งเป็นสองกลุ่มนะคือกลุ่มแรกก็คือหนึ่งร่างกายของพระองค์เนี่ยยังแข็งแรงนะยังหนุนมหาพุทธลักษณะมาเหมือนเดิมหมดเลย อย่างที Because, ang, hoy, is is saw, hoy, ่สองก็คือดูวิวแล้วงามมากกันนะ่ของเราดูสวนผู้การนี่เห็นอย่างนั้นหรือเปล่าเห็นสวนเออนี่วิวสวยอย่างเงี้ยนะเป็นยังไงคิดไหมว่าเออนี่กลาวมิวตกนะเนี่ยอยเนี้ยคุณโชคดีคิดอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ได้ยินอ๋อไม่ได้คิดว่าไม่ได้คิดว่าเออนี่มันกล่าวมิวตกนะแต่ผู้การก็เหลือไปนะ พยาบาทม่ตกเกิดเลยก็เพราะว่าเมื่อไหร่ผู้การกลับมาจากรีสอร์ทนะมานั่งเรียนมาดูไม่ยากหน้าดำมานั่งเลยนะใช่แล้วแล้วมาจากรีสอร์ทนี่ไงคนอื่นไปดูงามมากกลับมายิ้มแย้มแจ่มใสนะการกลับมาพยาบาทม่ตกนั่งครึมก็ไปคุยนอกเวลากันแล้วกันคุยหลังไหม ทีนี้ที่ถามว่าอากุศลวิตกเนี่ยนะโดยเฉพาะการมาวิตกเนี่ยถามว่ามันเบียดเบียนตนบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเนี่ยนะถามว่ามันเบียดเบียนตนยังไงอ่ะเคยคิดไหมว่าถ้าเราคิดเป็นอกุศลแล้วมันทําร้ายตัวเองแค่ไหนเสียหายปานใดเนี่ยนะเสียหายหมเราลองมาไล่ดูนะสิ่งที่เราต้องบําเพ็ญนี่คือศิกขาสาใช่ไหม ที่ศีลสิกศขาที่จิตติีข้าที่ปัญญาศีข้าที่ศีลสิกข้าก็แบ่งตั้งแับเบื้องแรกๆหยาบๆก็เช่นศีลห้าศีลแปดอุโบสถศีลจตุ ป, ปาริสุทีศีลถ้าเป็นพระพิสูจก็พระวินัยปิฎกทั้งหมดเลยนะถามว่าขณะอกุศลมิตกเกิดนะพระวินัยมาสักข้อไหมเต็มไปหมดเลยนะบุญทั้งนั้นนะ่นะหายอันตรานหมดเลย พระสุตตันตปิฎกเนี่ยนาะทีคณิกาย34สูตรมัชฌิมานิกาย152สูตรสังยุตตนิกายเ0็ดพันกระสูตรอังคุตเก้าพันกระสูตรคุถกานิกายอีกสิบห้าคำพีเนี่ยนะคิดถึงบ้างไหมไม่แต่คําเดียวนะไม่มีหายอันตรธานเงียบหมดนะอภิธรรมปิฎกเนี่ยมีบ้างไหมไม่เหลือนะแล้วถามว่าบุญกิริยาวัตถุนะทานก็ไม่ใช่ศีลก็ไม่ใช่ภาวนาก็ไม่ใช่อนน้อมเป็นต้นก็ไม่ใช่ บุญกิริยาวัตถุสิบไม่เหลือแม้แต่ข้อเดียวอริยสัพเจตนะศรัทธาหีริโอตตะสินสุตะจาฆาปัญญาไม่เหลือถ้าบำเพ็ญบารมีสิบเหลือสักข้อไหมขณะนั้นไม่เหลือเนี่ยนะถ้าตายตอนนั้นอ่ะอาควรจะไปที่ไหนอ่ะก็อบายอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นโอ้เบียดเบียนประทุสร้ายตัวเองมากเลยนะทำลายออกไปมากสติประธานยี่สิบเอ็ดบัพทานี่ยนึกถึงสักคำไหมคุณวิลาวันท่ากุศลมิตกมันเกิด อ๋อติดลบเลยนะยดีที่ไม่จุติตอนนั้นนะะถ้าจุติตอนนั้นเนี่ยแย่น่าดีแล้วนี่นะอะบุญเก่าทํา ม, มาดีนั่นนะไม่งั้นเนี่ยแย่แน่นะลาบากแน่จุติตอนที่อกุศลไม่ตกเกิดเลยลําบากแน่เวลาวันเอาไหมถ้ามีสูตรหลอแล้วตายเลยเป็นอารมณ์ก่อนตายไม่ไม่เอานะเอ้าเลี้ยงกันมาตั้งสิบกว่าปีทําไมไม่เอาเลี้ยงกันมาตั้งสิบกว่าปี อ๋อก็เจริญสติปัญญาบ้างนะเห็นมันก็เจริญสติปัญญาลงบ้างนะไม่งั้นเนี่ยอากุศซนวิตกเนี่ยเข้าไปกลุ่มรุมไม่งั้นนอะเสียหายมากมีโยมคนหนึ่งก็บอกว่าเขาเนี่ยกลัวไปเกิดเป็นเห็บเป็นหมัดจริงๆเลยเราบอกงั้นก็ที่บ้านก็เลี้ยงหมาไว้ตั้งหลายตัวเขาต้องดูแลหมาว่างงแั้วก็หมกมัวแต่คิดถึงพวกหมาเป็นต้นเนี่ยนะเขากลัวจริงๆแล้วไ ป, ไปเกิดเป็นเห็บเป็นหมัดกลัวไม่ได้กลัวต้องหายดีแก่ทำยังไง ถามไปหามหม อ, ออแล้วคยนะุยด้วยแล้วม <c oughs> ันอกุศลวิตกเนี่ยนะ ท, ที่เกิดขึ้นเนี่ยเบียดเบียนตนอย่างว่านะกุศลทั้งหลายที่ควรจะเกิดนะอย่างเรามาไล่ดูนะกรรมฐานสี่สิบเหลือสักข้อหนึ่งไหมเวลาที่ที่อากุศลวิตกมันเกิดขึ้ น, นยพุทธานุสติโอ้ยพุทธคุณนี่เป็นอาจินตายหมดเลย้กามวิตกเกิดขึ้นหายอันตรานเกลี้ยงไม่เหลือ นะทำเตะเนี่ยนะพระตายปิฎกคําสอนตรัสไว้ดีแล้วก็นึกไม่ออกอีกว่าคําสอนดียังไงความปฏิบัติดีนะเวลากุศลวิตกเกิดนะภาษารีบุตรก็ไม่นึกถึงท่านพระโมคคัลลานะก็ไม่นึกถึงท่านพระมหาคัสสะก็ไม่ดูอยู่ในใจเลยพระนนก็หายเงียบหมดนะนะเราลืมพระระยะหมดเลยนะทิ้งหมดนะความปฏิบัติดีของพระสงฆ์เราก็มองไม่เห็น จาราณุสติเทวตานุสติเป็นต้นก็มองไม่ออกมันทำลายอนุสติ10บหมดทําลายพรมวิหารของเราทิ้งหมดเลยทำลายมรรฐ์ทำลายถ้าเจริญกสินอยู่นะกระสินเนี่ยเกือบเสื่อมนะจริงมันมั น, มนกสินเนี่ยเสียหายแล้วนะตอนนั้นนะ่ะกรรมฐานเนี่ยเสื่อมหมดละขันทาธายะตนาสัจจะอินทร์ปติจัสมุบบาทไม่มาแม้แต่หน่อยเดียวมันทําลายตัวเองขนาดไหนนะก็เขาบอกว่าเปรียบเหมือนว่าสภาพจิตของเราเหมือนกับ เหมือนกับเพชรเหมือนกับพลอยนะมหาอาุศลเนี่ยนะเหมือนกับผม้มซั์เพชรใหญ่โตนะอกุศนวิตกเกิดขึ้นประดุดโจรเนี่ยปล้นเอาหมดเกลี้ยงเลยนะไม่เหลือเลยเหลือแต่อกุศนล้วนๆที่เกิดขึ้นเพราะธรรมชาติของเขากุศนกับอุศนไม่เกิดร่วมกันถ้าอาักุศนเกิดหมายถึงว่ากุศนเนี่ยถูกปล้นหายเงียบไปหมดแล้วเพรานะนั้นอักุศนเนี่ยจะทําทให้เกิดขึ้นก็ายากนะไอ้ที่เกิดขึ้นแล้วก็ก็มันไม่ยอมเกิดอีกแล้ะ ไอ้ที่จะเกิดใหม่ๆมันก็ไม่เกิดนั้นมันเป็นไปเพื่อทําปัญญาให้ดับมันเบียดเบียนตนอย่างนี้แหละถามว่าเบียดเบียนผู้อื่นยังไงนั่นแหละไอ้นี้เบียดเบียนผู้อื่นนะถ้ายิ่งสมมติถ้าพระพุทธเจ้านะอาตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์อยู่เนะี่ยถ้าท่านปล่อยให้อกุศลวิตกเกิดนะสัพพัญยุตยานพระองค์จะได้ไหมไม่ไ ด, ไได้เมื่อไม่ได้นะั่นแล้วผู้อื่นจะมีการบรรลุตามมาไหม โอ้เส yeah, er ียหายผู้อื่นนะมรรคผลของผู้อื่นเสียหายหมดนะนะสมมติถ้าท่านปล่อยให้อากุศลวิตกเกิดโดยที่ท่านไม่ยอมข่มมันนะของเราก็ไม่มีต้องได้ศึกษากันแล้วหรือแม้กระทั่งพระอรหะผู้ที่ควรบรรลุมรรคผลก็ไม่ได้บรรลุถ้าท่านคืนปล่อยให้อกุศลวิตกอย่างนี้เกิดขึ้นเราก็เหมือนกันนะถ้าปล่อยให้อกุศลวิตกเกิดขึ้นนั้นมีผู้เสียหายตามบานเลยนะปล่อยให้อกุศลวิตกเกิดขึ้นเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นก็เบียดเบียนทั้งสองฝ่าย ขันศึกไปแต่งงนดเบียดเบียนทวกการมากเลยรเบียดเบียนเบียดเบียนหลายฝ่ายมากเลยของการล้มเลยในรนาธมาต มันก็อากุศลนิตกเนี่ยเบียดเบียนตนด้วยเบียดเบียนผู้อื่นด้วยเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายด้วยเนี่ยนะก็เสียหายโดยส่วนเดียวแต่ก็มีนะอย่างอย่างสมมุติว่าผู้ที่ปล่อยให้อกุศลวิตกเกิดจนเสียหายเนี่ยนะก็บอกว่าธรรมะที่เคยพูดเนี่เอาไปเผาทิ้งเลยอ่ะก็มีเนี่ยนะเรื่องเคยมีมาแล้วบทว่าปัญญานิโรธิโกเนี่ยนะไอ้เรียกว่าสิ่งอื่นดับนะดีหมดเลยแต่ถ้าปัญญาดับ เสียหายมากอ่ะ น, นะจริงๆนะถ้าจากักรคูดับนี่ดีใช่ไหมปัญญาเนะนีจักรคูนิโรโทรโอ้ดีมากโซตานิโรโทรอันนี้ก็ดีคานะชิวหากายะมโนโนิโรโทรดีแต่ปัญญานิโรธิโกนี่เสียหายมากเลยนะอันนี้เสียดับแล้วเสียหายก็คือปัญญานี่แหละนั้นปัญญานิโรธิโกความว่าย่อมไม่ให้เพื่อเกิดขึ้นแห่งปัญญาอันเป็นโลกิยะและโลกุตระที่ยังไม่เกิดขึ้นแล้ว ก็วิตกตัดโลกิยะปัญญาแม้เกิดขึ้นแล้วด้วยอํานาจสมาบัตแปดและอภิญญาห้าให้สิ้นไปจึงชื่อว่าทําให้ปัญญาดับก็เนี่ยสมาบัตแปดเนี่ยเสียหายใช่ไหมอภิญญาห้าก็ก็เสียหายเพั้นผู้ที่ปล่อยให้อกุศลวิตกเกิดเนี่ยนะก็ชาญเสื่อมมาไม่ใช่น้อยเนี่ยนะชาญเสื่อมเสียหายมากบทว่าวิคาตะปักคิโกแปลว่าเป็นส่วนแห่งทุกข์ก็ ผู้ที่รู้โทษแห่งอกุศลจริงๆก็จะเดือดร้อนนะถ้าปล่อยให้อกุศลเกิดขึ้นเชื่อว่าไม่เป็นไปเพื่ อ, อนิพานเพราะวิตกไม่ให้เพื่อกระทำชื่อพระนิพานอันปัจจัยไม่ปรุงแต่งนั้นให้ประจักษ์เคยเห็นไหมผู้ที่กามาวิตกมากๆแล้วแทงตลอดพระนิพานไม่มีมีแต่ว่าอะไรเฝ้าวัตตะนะ ก็มีแต่เฝ้าวัตตะอย่างเดียวนะเฝ้าขันธาตุอายตนะที่เป็นสังขารธรรมที่เลี้ยงดูกันไม่มีจบมีสิน้นแต่ผู้ที่เจริญกุศลวิตกมากๆก็ทําที่สุดแห่งทุกข์ได้นั้นอกุศลวิตกโดยเฉพาะกามวิตกเป็นต้นเนี่ยนะสูตรเขาก็จําง่า ย, ายๆใช่ไหมหนึ่งเบียดเบียนตนถามง่ายๆว่าเบียดเบียนยังไงสรุปว่าอริยทรัพย์ในศาสนานี้เสียหายหมดเกลี้ยงเลยเนะี่ยนะขมทรัพย์เสียหายหมดนะนะีปิดอกสามไม่เหลือแม้แต่ปิดอกเดียวพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอ่า บารมีสิบอนุสติสิบหรือแม้กระทั่งบุญกิริยาวัตถุสิบบารมีสิบไม่เหลือแม้แต่ชิ้นเดียวเลยนะถ้าอากุศลวิตตกเกิดขึ้นเนี่ยนะนบอกว่าแม้กระทั่งสมาบัติเป็นต้นก็เสียหายหมดอภิญญาก็เหาะอยู่ดีๆยังเสื่อมเลยว่างั้นเบียดเบียนผู้อื่นละ่ะก็ประทุสร้ายผู้อื่นนะนะก็สร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นคือถ้าการมวิตตกมันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะตามให้เกิดมิจฉาทิฐิตามมา ถ้ามิจฉาทิฐิตัวนั้นเกิดขึ้นมันแล้วมันกระจายออกไปมันระบาดออกไปนะบางก็เป็นมหามหาเชื้อโรคดีๆนี่แหละเพราะบางคนนะทิฐิเกิดขึ้นนะั้โลกมันเดือดร้อนมาถึงทุกวันนี่ก็เพราะอากุศลวิตกของบางคนเท่านั้นเองอากุศลวิตกของบางคนนะเช่นพยาบาทวิตกกับบางคนนะสงครามโลกเกิดขึ้นเลย กามวิตกของบางคนขึ้นมานะประเทศชาติหลายประเทศเดือดร้อนขึ้นทันทีเลยพันเบียดเบียนตนบ้างเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายมิจฉาทิฏฐิที่เกิดขึ้นนะแพร่ระบาดภายในไม่เท่าไรสักนะไม่เท่าไห ร, รเนี่ยกระจายได้อย่างรวดเร็วเป็นต้นเพันก็ผลของอกุศลวิตตกเนี่ยนะทำลายล้างโลกมาม า, มากแล้วนะก็ออหมดเวลาแล้วเ น, ว น, นี่ยนะ <c oughs> ประกาศได้เลย